ก็ยังยห็อยู่ที่เขายังไม่หายไปไหนที่นี่ไรเลยือไปทางอื่นจุดจิงสองบริขารของตนใหเรียบร้อยขั้นที่สาม้วมองไปดูเพื่องกรดสอบว่าเออที่ปรากฏด้วยดตานั้นจะยังอหู่หรือหายไปแล้วพอมองไปขั้นที่สาม สุกนั้นกเกลอยอันตรฐ า, านหายไปเมื่ออันตรฐ า, านหายไปมองไม่เห็นในขณะนั้นจิตเกลยนึกขึ้นในใจว่าอ๋อย่างนี่หนาพวกภาวนาเห็นภาพมิตรต่างๆที่ปรากฏในขณะที่ตนภาวนานั้นคือเห็นรูปภาพต่างๆที่มาปรากฏนั่นเองเข้าใจเอาว่าตนได้ ญาณคือได้หูทิศตาทิศและในรรวมรู้จิตใจของบุคคลอื่นพวกนี้เมื่อ ย, ยึภาคภิมิตอย่างนี้ก็น้อมใจเสื่อในภาคภิมิตที่ทปรากฏขึ้นว่าตนไดน้บรรลุทาวิเศษมีมรรคผลเป็นต้นโดยเกิดทิฐิมานะปิดดีปวดดีผนที่สดพวกนี้ก็เลยเสื่อมไปเมื่อรับ ประโยชน์อัรแค่จริงในธรรมะพเรื่องนี้เคยปรากฏแก่พวกนักภาวนานักปฏิบัติมาเป็นหลายหลายมีความปรากฏเกิดขึ้นในใจในขณะนั้นและในบรรดาที่หนึ่งนั่นแหละปาะพิจาก็ได้ทำความภาพความเพียรโดยขมักขเมียน มีการอดรับอดนอนอดอาหารสลับสับซ้อนกันไปตลอดพรรษาส่วนด้านจิตใจก็มีความปักไฝ่ในการภาวนานังบริกรรมอยู่พุทโธพุทโธเปลียนพื้นบางครังก็มีการพิจารณาร่างกายตนเอที่เคยปรากฏว่าเป็นอาชุพักของเปลือยเนา่าเมื่อออกพรรษา แล้วยมวันดาจ่รวดเป็นสีก็กลับบ้านไปอยู่กับลูกหานรวนค่าพรเจ้าเล็กกิจแล้วก็เลยอยากเดินขุดดงจึงได้เพื่อนคือสามเณรองหนึ่งเป็นเพื่อนออกเดินทุดดงจากคนะจิจม่มมรนสาเดินท้งนั้นเดินด้วยเท้าท้งนั้นสมัยนั้นไม่มีรถ มีแต่ทางเกวียนและาทางคนการคมมนาคมในสมัยนั้นรู้สึกว่าลําบากมากเดินจากอําเภอเรืองรกจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อจะไปนมัส ก, การพระาธาตุพนมซึ่งขาวเล่าเลยว่าเป็นที่เป็นที่บรรจุพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าก็เลยพากันเดิน กับสามมเนนเดินข้ามดงบางอีผ่านโมงงบ้านต่างๆไปทิระยะค่อยเดินต็ดงก็เรื่อยไปถึงเจิดวันเจ็ดคืนจนถึงพระถาดุนมและธรรมัชการัพระธาตนมพอมสมควรแล้วก็เลยเดินต็ดงไปที่เมืองเลเรนูไปพักอยู่ที่นั้น ประมาณตักสองเดือนเราเดินทางตักผู้บนราชธานีขาตับกับองค์เดียวกับผู้เดียวส่วนสามเณรนั้นไม่กลับด้วยเดินผู้ดงองเดียวจากเรโนถึงผู้บลราชธานีผ่านดงบางอีองค์เดียวเมื่อผนจากดงบางอี มาถึงชายดงมีระวังอำเภอเริงนอกตาเขตอำเภอเริงนกตาบ้านไรกับบ้านหนองยางพึ่งกลางกันระวางนั้นยังเป็นป่าเป็นดงพอเดินมาถึงนั้นได้เก็นเหม้นที่กลางดงละก็เลยที่๊ะกินอนนี้ทีน่นี้กินเหม็นเน่ ไม่ใช่กินของสัตว์กินของสัตว์ไม่เหมือนอย่างนี้เลยสํารวจดูตดูการกินนั้นเลยไปพบศาสตร์สุภะคือศาตร์คนตายอยู่ข้างถนนดู่ตะกอดูร่องนอนตายอยู่นั้นเวละเมื่อข้าพระเจ้าเข้าไปสํารวจดูเลยนึกขึ้นในใจว่า แม้เราเดินมาพบถุงทรัพย์อันก็เสร็จแล้วยากที่จะพบจะเห็นได้เมื่อตนจะนี้เราควรจะเพ่งอาชุภะนี้ให้ได้เมื่อคิดอย่างนี้จึงไปวางคือกรงบริหารไว้ร่มไม้แหงหนึ่งแล้วก็เตรียมตัวมาเพ่งอาชุภะ สรากจบสรากผีคือนอนตายอยู่กลางป่าอยู่ตะกองทางรถที่เขาทำในใหม่เครื่อนดูทนิ้พิจารณาดูสรากอสุภานั่นสรากอสุภะสรากจบวันนี้อาจจะตายได้หลายวันแล้วห้าหรือหกวันหรือเจ็ดวันนี่แหละสังเกต ด, ดูในร่างสากอสุภะนั่นเปื่อยวะเลย ส่วนตะไก้ไส้พุงมีตะนอนเจาะช้กินหมดหรือแลงกาเอาไปกินส่วนในตาก็มีตะนอนในปากก็มีตะนอนตาทั้งสองก็มีตะนอนในขณะนั้นเพ่งแล้วก็ได้น้อมเข้ามาสู่ซนของตซนวเราก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ก็ได้ในขณะที่เพ่งอย่อย่างนั้นแหละ ใจหนึ่งได้คิดขึ้นว่าแม้สากศภานี้เป็นของที่น่าอุจจารเราควรจะเผาเสียให้หายอุจจารเพราะท่านว่าการเผาสากดิัตว์ผีที่คนตายได้บุญใลยสุดนมากใจคิดอยากจะได้บุญมากเลยลืมเรื่องสัตว์ที่อยู่ในสากศภานั้นทกลองว่าจะเผาเไปเลยไปหาเก็บเอาฝืนที่ไม้ตาย อยู่ในฝ่ายลงกองไว้ค่าน ข, ข้างอาุพะพอไปเกป็บเอาคืนมาแล้วใจหนึ่งนึกเกินว่าอ้าวเราเป็นพระเราจะมาเผาศาสุพะได้อย่างไรเพราะยากมันยังเฉียวสดอยู่นี่ล่ะและในศาสุพะก็ยังมีตัวสัตว์อยู่นี่เยอะแยะถ้าเราเผานี่มันก็เป็นโทษ เป็นอาบาาัติตาจิตติฆ่าสัตว์และทำลายพืชโทษของเขียวมิเรือ่อทมคุณจะได้โทษทำบุญจะได้บาปนะเนี่ยนี่ใจหนึ่งคิดศขึ้นเลยตรงใจไม่เผลอลอยมาพิจารณาศาสตอุปสรรคนั้นแห็นมือนอนทำไหร่ การเยนบอลก็ใช้กันจีนโดยการฟาดอสูระนั่นนั้นไหนปากก็เต็มไปด้วยนอนขาข้างสองก็เต็มไปด้วยนอนไหนสีคนไม่อกหน้าอกก็เต็มไปด้วยนอนขาั้างสองก็เต็มไปด้วยนอนสว่านนักสวรานเบาเต็มไปด้วยนอนหมดไม่มีอะไรเลยไม่เก็นอันเหมือนขาไจาเพ่งอยู่นั้น มาถึงศาสดสุภาเดินมาถึงศาสดานั่นประมาณเชี่ยงวันได้เพ่งศาสตสุภาอยู่นั่นสามชั่วโมงบ่ายสามมงทีแรกคิดว่าจะนอนเเข่งอยู่ที่นั่นนอนข้างเืนพัดข้ามเืนยงอยู่ที่นั่นเพราะในขณะนั่นไม่คิดถึงความกลัวเลยคิดแต่อยากจะเพ่งศาสตร์สุภาให้ได้แต่ดูห้อยเห็นส่วนรงลัว ไม่คิดธเห็นเลยในขณะนั้นจะเป็นด้วยเหตุอะไรไม่ทราบแต่คงใจว่าจะนอนเึ่งอสุภะยู่ที่นั่นทําำกมภะคนเดียวอยู่ที่นั่นเข้าใจคงใจว่าจะไม่กลับไม่นอนเลยพอบ่ายสามโมงมีชาวบ้านสองคนเดินมาด้อมด้อมมองๆ ม, ม, มามาซูซากอสุภะพระเจ้ า, อ า, อามองเห็นเลยไปถามเขาดู ออกจากซากอศพไปถามกระดุว่าซากศพซาคนที่มาตายนี่มันตายด้วยเหตุอะไรถามชาวบ้านสองคนนั้นชาวบ้านสองคนก็ตอบว่าคนที่มาตายอยู่นี้เป็นคนนาถาคนทุกคนยากเขาตายเพราะเขาหอดเขาหิวเขาจึงมาตายที่นี่แล้วพวกโยมมาทําไมถามเขาถามพวกโยมนั่นเขาตอบว่าพวกผมมาเพราะเจ้านายใายให้มา ตรวจดูศักดิสุภามาเป้ามารักษาศัสุภานี้เพาาราะศักดิสุภานี้ไปเจ้าหน้าที่เขายังไม่ได้มาสันสูดดูเขาจึงให้มาเป้ารักษาไว้พาไปเจ้าเลยถามก็ว่าอาตมาไม่เห็นศักดิสุภาษนี้แล้วคิดอยากจะอยู่เช่งศักดสุภานี้ ส, สักคืนหนึ่งจะได้ไหม ้าวบ้านสองคนก็ตอบว่าไม่ได้ครับเพราะซากอาชญาซากศกนี้ยังไม่สันสุขถูกต้องตามกฎหมายถ้ามาถ้าท่านมาก็อยู่ที่ น, นี่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะสงสัยหาว่าฆ่าคนขอท่านข อ, อนุโมทนท่านหรือออกไปเสียให้พ้นจากจากอสุภาณี้่าไะเจ้ากัเลยถามเา็าเลว่าสำหรับสิ่งของ ทีออยู่ในสศาลคดีนี้มีคุกปแปร์ดาภาพราโตเดิมหนึ่งอาตมาคิดว่าจะซักบังคับุณเพื่อลงบุญทิพให้แก่ผู้ตายจะได้ไหมเพราะว่าไม่ได้เพราะคดีนี้ยังไม่สันสูตรถูกต้องตามกฎหมายถ้าไปซักบังคับคุนเอาเขาจะหาว่าฆ่าคนจะผิดกฎหมายขออนุบาลท่านหรือออกไปให้พ้นเสียนี่ชาวบ้านก็ว่า และในซากศพนั้นยังมีผ้าปีโตคือผ้าขาวมาพืนหนึ่งในช่มผ้าขาวมานั้นมีปอดหออะไรไม่ทราบเมื่อชาวบ้านเขาว่าดังนั้น้าไปเจ้าก็เลยเดินทางต่อไปจนไปถึงบ้าน น, นน้ำแขนใใ้อำเภอนาดเจริญหมดเวลาพอดี เคยพักปรากฏที่ริมป่าชาติ้มไม้แห่งหนึ่งพอจะบินะบายถึงอาะเจ้าอาบนำํ ำ, ำระ ก, กายแล้วถึงเวลาพบกรรมก็เข้าที่ไหว้พระทำวัดสวดมนต์ตามประเพณีแล้วก็นั่งภาวนาถึจะนา ส, ส, สักดิศักดิ์ศีศกดสุภะ ที่เคยเพ่งพิจารณาที่ตนเห็นมาแล้วตอนกลางวันน้อมเข้ามาคือตนของตนเมื่อพิจารณาอยู่ในขณะที่ภาวนาพิจารณาสร า, า, างอสุภะนั้นแหละปรากฏในใจว่าสรางอสุภะนั้นเต็มไปหมดในบริเวณที่นั่งแทบจะกระดิกกระดุกขาไม่ได้เลยเต็มไปเลยนี่ปรากฏในจิต ถ้าเราหลับตาลงตรงปรากฏขึ้นเลยนี่เป็นอย่างนั้นในสมัยนั้นแล้วก็ น, อนก้อมกมาดูร่างกายของตนว่าร่างกายของเรานี่ก็จะเป็นอย่างนี้รวมความเป็นอย่างนี้ไม่ได้เกิดความโสดสังเวชในชีวิตของตนที่เกิดมาว่าเราก็ต้องมีความตายอย่างนี้รู้สึกว่าในคืนนั้น จิตใจสงบและเยือกเย็นสบายมากไม่มีก็ลดุกกระดีกเลยนั่งภาวนาตั้งแต่สมยยามจนถึงตีสองเทนาสร้างสุภาอยู่อย่างนั้นทีนี้เมื่อถึงตีสองก็องเอินเกิดผนเกิดลมเกิดตายุเพราะในระหว่างนั้นเป็นเดือนทุตสถภาฟ้าใหม่ฝนใหม่กาลังขนอง ทั้งฝนทั้งลมกดแล้วมุง่งที่กลางไหวปีกสวรรค์ขาพระเจ้าไปเลยลดมุง่งพับให้ดีพาสังขายัดใส่บาทขวาปิดให้ดีแล้วก็เอามือประค้องกดจับกดไห้คันกดไววให้แน่นกันฝนนั่งภาวนา อยู่อย่างนั้นฝนและลมกต็ตกอยู่อย่างนั้นน่ะนั่งภาวนาไปไเรื่อยๆใจก็สบายใจก็เย็นฝนก็เย็นลมก็เย็นอยู่อย่างนั้นฝนตกประมาณสักสัปโมงกว่ากว่าก็เลยหายไปพอตืนรุ่งเช้าไปดินทบาดตามชาวบ้านมาฉันฉันเสร็จแล้ว ก็เดินทางต่อไปถึงบ้านเดิมปยโยมโยมมานดาโยมมานดาได้ศึกลาศิษาจากแม่ชีไปอยู่กับลูกหลานตอนนี้ข้าพเจ้าไปพักอยู่บ้านชั่วคราวเกิดความป่วยขึ้นอาการไข้จับไข้ไข้ดงมาอีอ่า จะไก่สันไป่ากนี่ไก้และชาวราษาทานนะจันบุพระคูทัตนประกาศซึ่งท่านเป็นเจ้าคณ ะ, ะอำเภออำนาจเจริญอดีตเจ้าวาตอดีตเจ้าคณะอำเภออำนาจเจริญที่ท่านบารณะไปแล้วนั้นทานแล้วแต่งยมให้ก ร, รับข้าไปเจ้าไปจำรรษาที่บ้านชาตินองอเนน์ที่บ้านของท่านเมื่อยมก ร, รับเอาข้าไปเจ้า ก็รับคำมีมนของท่านอาจารย์ที่แป่งโยมมารับเอาเพื่อจะจำภาษาที่บ้านของท่านอาจารย์วัดคุ่งบ้านชาติน้องอีนินในภาษาที่สองขอท่านพระอาจารย์สมสมเกณฑ์าวาลดูที่นั้นในการภาษานั้นก็ทำความภาคนเมียนพอสมควรและในการภาษานั้นจะเกิดเผู้เอืญออี แปล ก, กนี่จะขอเล่าให้ฟังเพื่อสมบุรณ์ในประวัติที่ผ่านมาเออสมัยนั้นอันศาที่สองนั้นนะเห็นหญิงคนนึงหญิงคนนี้แต่สมัยก่อนเมื่อครั้งข้าพเจ้าได้ทำราชการหรือทำงานคนทางหลวงแผนดินมนเนื่อที่ทำประจำอยู่สาย บุบบนนครพ น, นมสมัยเนนเห็นปนนระถมวัยเห็นยิงคนนี้เขาเป็นสาวแก่เห็นเขาเดินตามทางเดินไปงา น, นบนุแล้วก็เดินกลับขึ้นมาบา้านพอบ้านเขาอยู่เขตอำเภออำนาจพระเจ้าจํา ไ, าได้แต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่บ้านไหนแตไม่ได้ถามเขา เห็นเขาเดินไปเดินมาเยอะบ่อยทีนี้เมื่อข้าพเจ้าได้บวชมาจำพรสษาที่บ้านชาติน้องอินินจนเห็นหญิงคนนี้รู้ว่าเขาแต่ตอนเขาเคยเดนินไปเมืองบนกลับไปกลับมาอ่าหญิงคนงนี้ทีนี้เมื่อตอนที่ข้าพเจ้า บ, บวชเขาเป็นคนแก่แล้วประมาณอายุสี่สิบปี นี่แล้ที่ตอนที่ข้าไปเจ้าจำนัคสาที่วัดคุ่มบ้านชาติน้องอินินนั่นแหละเห็นหญิงคนนี้ถือมอยาหอมมากออกจากบ้านน้องอีนินมาอาศัยอยู่วัดดูรานวัดไปรโฮมไม้สามสาทีอยู่ร้านวัดซึ่งเป็นญาติของท่าอาจารย์มันเองว่ เป็นญาติของอาจารย์สวัดิ์นั่นเองเพราะท่านก็อยู่บ้านนั้นและท่านก็รู้ดีอแล้วหญิงคนนั้นก็มานอนอยู่ที่ร่มสามสาหนแหละต้มยากินอดี๋ยวมาหลายวันหญิงก็นอนจะเลยตายตายอยู่ร่มไม้สามสาอยู่ลานวัดตอนนี้จะตายกลางคืนเพราะตื่นเช้าเข็มนอนอยเนี่ย ถึงมีพวกญาติโยมที่มาวัดมาจังหันอ่าเห็นหญิงคนนั่นนอนไม่ลุกยมทิดหลวงซึ่งเป็นญาติของหญิงก็ น, นั่นแล้วะปลุกพอไปปลุกไปดูที่ไหนได้มันแข็งแล้วมันตายแล้วน่ะโยมทิดสลวงนั่นก็เลยมาเรียกโมให้ไปดูโมก็เลยไปดูขันไปดูก็เปิดผ้าขึ้น ผ้าที่ผม่าพอเปิดขึ้นมี้ะนอนเต็มไปหมดนะเมอนขึ้นย้อยนั่นทวานเบาเต็มไปด้วยหนอนนอนบางตนบางตัวมีขนก็มีเจาะชัยกินอยู่ถวานเบาของหญิงนั่นนะพระเจ้าได้ยินแลระญาติจะไปเพ่งดูอ่าเลยคิดสภาพ เห็นศพที่บนเทิงนั้นมาผสมกันกับศพนี้เตือมอิอจฉาราคาใจเตือนตรวจสังเกตใจคิดเบือ่อขึ้นไหน่ะคิดใจดิ้นรนในความเบื่อขึนหนายมากไม่อย่างนั้นอ่ น, นี้ตายยากที่น้องของหญิงก็นั่นเขาพูดกันว่าอย่างนี้ละมันเป็นแม่จา้า มันเป็นโลบูรุตตามโลกิน ม, มันนะมันเที่ยวเดินไปเมื่อวันบนไปเขาสีเ้าเสิร์ฟเรามากับิีนโลกมากให้รูกร้านผัวม่ให้ปัวม่จ่ายในวัดได้ว่านี่เราจ่ายทุกจา ย, ยากเพราะว่างานยากเขาอ่ะร้อนเจอหมีมันใชย้ยิ่งหมีมันนั่นี่พวกญาติเขารู้ประวัติญิงเะ น, นี่ดีเขาเล่า เขาพูดก so so so ันฝากไปจ้าจำได้กจอนนั้นเขาก็เลยเอาไปเผาที่ป่าชาในัรรษาที่สองเปิดเขาเอิมเห็นศักดิ์ศพีที่ตายยังไงวะนั่นแหละเป็นขั้นที่สองเกิดความตรวจสังเวยใจยิ่งนักหนาเิดเบื่อคิดบนายเจ็อลาเมื่อปันชายแล้ว ได้เข้าไปประปุ่มวัดใหม่เห็นว่าวัดที่อยู่กลางคุ้งมันไม่ดีไม่เหมาะไล่เข้าไปประปุงวัดใหม่ที่ดอนเมืองเพราะดอนนั่นเขาเรียกว่าดอนเมืองดอนเจ้าผีดอนเจ้าปู่ดอนเจ้าปูตามองเขาเขาถือว่าเป็นดอนที่ศักดิ์สิทธิ์เขายำเกรงมากคนในบ้านนั้นในแถบนั้นมีต้นไมใ้ใหญ่ๆเป็นดงมีสัตว์ปา่ามีพวกเตา่าพวกะกะโหลก มากพวกงูมากอ่าอ่าพระเจ้าไปเลยพางูพวกเข้าไปถุนดงในที่นั้นนะเริมร่มเรื่มดีต้นไม้ใหญ่ใมีเร่มมีอะไรดีโอ้ยอากาศ ด, ดีเลยอย่างนั้นแล้วใตั้งวัดกันว่าขึ้นที่นั้นก็เลยเป็นวัดเป็นว่ามาจนปัจจุบันเดียวนี้เขาเรียกว่าวัดบ้านนายจิต ด, ดอนเมือบอืมไปดูไม่ได้ ให้โยนก็ขุดที่หนึ่งมันเป็นที่สูงสุดไปสุดไปได้แขนพระพุทธรูปก็มีได้สองโบราณขังดินลึกมีดอนนั้นสำคัญเขาเรียกว่าดอนเมืองมัเพรรษาที่สามได้จำพรรษาที่วัดบ้านนาจิตดอนเมืองซึ่งเป็นบ้านของพระอาจารย์บุมันเดองอในพรรานี้อธิษฐาน จะทำํำกมเพียนไม่รับไม่นอนตลอดพรรษาพอทําไปทําไปในระยะเข้าพรรษาก็เลยอธิษฐานพร้อมด้วยประกาศหมูนณครูบาอาจารย์ให้ตรว่าในพรรษานี้จะไม่นอนจับตั้งอกตั้งใจทํากมภาพุมเพียนไปจนตลอดพรรษา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 เจอธาตุขันไม่อําหน่วยนี่มันสมองเจอน้ํามันสมองไหลออกมาจากทางจมูกเป็นน้าเหลืองได้เอามือฝ่ามือลองดูเป็นสีเหลืองมันย่อยหยดลงจากมันสมองมาตามช่องจมูกเป็นอยู่อย่างนี้ไปนานวันเลยการเรียนท่านพระอาจารย์ผู้ เป็นเจ้าอาวาสให้ทราบท่านเลยมาสังเกตดูตาของข้าวเจ้าเหลืองเป็นตาเหลืองไปหมดเหมือนกับตานกเข้าหรือตาแหลวหรือตาเยียวท่านอาจารย์เห็นอาการวิปริบปริดปกติอย่างนั้นท่านก็เลยออนวอนให้รับให้นอนให้พักผ่อนบ้างนี่ให้อดนอนไปตลอด ระยะที่ท่านอาจารย์อ้อนวอนแนะนำให้พักก่อนรับนอนบ้างยังไม่ทำตามคาแนะนำของท่านยังอดรับอดนอนอยู่ต่อไปตาก็เหลืองเข้าท่านก็เลยทำการกู้เจิญกำรามให้รับให้นอนถ้าไม่รับไม่นอนไม่ได้นะท่านจวนนี่ ทำแบบนี้ใช่ไม่ได้เดี๋ยวตาบอดตาเสียเนี่ยจำเป็นตาระเจ้าก็เลยพักก่อนการหลับนอนบ้างเล็กน้อยแล้วก็ยังไม่เลิกละทำความภาพความเพียนตั้งใจอยู่แต่ก็มีการพักก่อนหลับนอนปักกนกันไปในระยะปัรษาที่สามนี่แหละเลยเกิดเหตุปฏิพัทธ์รักใคร่กับหญิงสาวคนหนึ่งที่เขาเคยเข้าวัด มาจังหันบ่อยๆเกิดปฏิพัก ร, รักใครมีความรักความกำหนัดแต่ก็ทำความภาคมเพียนไม่หยุดจยอแต่ก็ไม่ปริปากบอกใกลๆให้ทราบรักแต่อยู่ในใจนี้ในภรษาที่สามในภรษานี้เลยคิดขึ้นได้้อยอธิษฐานถึงท่านพระอาจารย์มั่นปูริทัตตมหาเถระ เพราะสมัยนั่นข้าพเจ้าได้ยินแต่ชื่อท่านยังไม่ได้พบเห็นท่านเลยคำอธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้ายังจะมีบุญวาสนาเจริญอยู่ในครมมั่จันถ้าข้าพจะถ้าข้าพเจ้าไม่ได้บรรลุคุณธรรมขอให้มีนมิตรเห็นท่านพระอาจารย์มั่น ไ ด, ได้กราบได้วาท่านหรือได้สนทนาฟังธรรมเทศนาของท่านขอเป็นที่พอใจพระข้าพเจ้าไม่มีบุญวาสนาแล้วขออย่าได้บ ร, รรลุทําหรืออย่าได้นิมิตเห็นท่านพระอาจารย์มั่นเลยให้ม่มิตหรือฝันเห็นสิ่งที่ลามกซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ปรารถนาขออธิษฐานก็ทําควา ม, ามท่าทําเพียนไป ระยะห่างกันสามวันเท่านั้นจาะทำอธิษฐานคณะที่พักผ่อกร้นิมิตว่าข้าพระเจ้านี่แหละไปเดินทางไปสู่สนักของท่านพระอาจารย์มัน่นเข้าไปสู่วัดของท่านพอดีได้เจอท่านพบท่านอยู่กลางลานวัดพอมองเห็นท่านรูขึ้นในใจว่านี่ท่านพระอาจารย์มัน่น เหมือนกับได้อยู่ร่วมท่านมาแล้วในว่าเพราะท่านเลือตามาเห็นข้าพเจ้าท่านก็ทักขึ้นเลยว่าท่านชวนมาแล้วดังนี้แล้วข้าพเจ้าก็เดินเข้าไปจะไปกราบนมัตการท่านท่านก็เลยองหลังให้ข้าพเจ้าขีข้าพเจ้าไม่ขีท่านก็มอกให้ขีอ้อนวอนให้ขีข้าพเจ้าไม่ขึ้นขี่หลังท่านกลัวจะเป็นบา ท่านก็เลยใช้การขู่เก็บคํารามให้ขีข้าวเจ้าก็จําเป็นเลยขึ้นกี่หลังท่านเหมือนกับขี่มา้าพอป้ายกระโดดขึ้นหลังท่านเท่านั้นท่านก็เลยตาเหาะขึ้นบนอากาศจนหลิบเมฆทีเดียวนี่ปรากฏในนิมิตความฝันเมื่อเหาะขึ้นไปบนอากาศจนหลิบเมฆแล้วท่านก็พาลง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 เมื่อออกครรษาแล้วได้ห้าวันท่านเจ้าคุณอริยภุณาธานมหาเงสงขุโฌสมัยนั้นเป็นผู้ช่วยเจ้าคณะภาค่านมาตรวจก า, นนารคณะสงฆ์างข้าอิสารทานมาแวะเยี่ยมตรวจ ด, ดูที่วัดป่าบ้านนาจิกดอนเมืองเลยเห็นข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็เลยขอไปกับท่าน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 ร่วมท่านเมื่ออยู่ร่วมท่านในฤดูแรกและในพรรษานั้นคือตลอดฤดูแรกงตลอดพรรษาฟังโอวาทของท่านพระอาจารย์มั่นโอยมากท่านแนะนำให้ปฏิบัติทางวิเนยให้เข่งครัดและพุดงการภาวนาท่านแนะนำให้พิจารณาตายเป็นส่วนมากคือให้มีสติน้อมขมาพิจารณาตาย ส่วนใดท่วนหนึ่งตามที่ถูกกรดิดนิสัยของตนหรือถ้าหากจิตมันไม่สงบมีความพุ่งซ่านต้านก็ให้มีการนึกน้อมด้วยความมีสติระลึกคําบริกรรมว่าพุทโธพุทโธไปเมื่อจิตสงบแล้วต้านก็ให้พักพุทโธไว้ไออยู่ด้วยความสงบแต่ก็ต้องให้มีสติให้จานี้จานานเมื่อจำนาน ด้วยการบริกรรมหรือชุนนด้วยความสงบแล้วท้านก็ให้มีสติ้อมเข้ามาพิจารณากายส่วนใดส่วนหนึ่งที่ถูกกจิตนิสัยของตนด้วยความมีสติเมือ่อพิจารณาพอสมควรก็ให้สงบเมื่อสงบพอสมควรก็ให้พิจารณาด้วยความมีสติทุกระยะวิให้พังเพ่อเมื่อจิตมันรวม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 ที่รวมอยู่ให้จิตถอนเองเมื่อจิตถอนให้มีสติน้อมเข้ามาพิจารณากายส่วนใดส่วนหนึ่งที่ตนเคยพิจารณาที่ถูกกับจริตนิสัยของตอนน้นๆอยู่เรื่อยไปด้วยความมีสติมิให้ฟั่งเผลอส่วนนิมิตต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นนิมิตแสดงภาพภายนอกก็ตามหรือ นิมิตภายในซึ่งเป็นธรรมะผุดขึ้นก็ให้น้อมกมาเป็นอุบายของกรรมฐานของวิปัพานาเือน้อมกมาสูไตจรักให้เห็นเป็นอนิจจทุกขงังนัตตาด้วยกันทั้งหมดคือให้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงย่อมมีความดับไปทําเป็นไปเป็นธรรมดาดังนี้ด้วยความมีสติอยู่เสมอเสมออย่าพลั่งเผลอ หรือเพิดเพลินรุ่มหลงไปตามนิมิตภายนอกที่แสดงภาพมาเออริมิตภายในที่ปรากฏผขึ้นเป็นอุบายเป็นธรรมะก็ดีอย่าเพิดเพลินไปตามแล้วให้มีสติน้อมขมาพิณากายให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามให้เห็นเป็นไจรักเออไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามิใช่ตนมิใช่ของตนมิใช่ของแห่งตนด้วยความมีสติอยู่อย่างนั้น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 ข้าพเจ้าตั้งใจพระวนาทำความภาคผนวกเพียนตั้งแต่ปฐมยามคือยามค่ำเมื่อเสร็จจิตจะวัดทำวัดไหว้พระเสร็จแล้วเข้าที่กาธิฐานนั่งในกรดในมุ่งในกุฏิจะไม่นอนคือนั่นกอนนั่งไปก็ น, นึกคำบริกรรมอยู่ จิตค่อยส ง, งสงบลงสงบลงก็เลยเกิดนิมิตขึ้นมาปรากฏในใจที่ขณะนั่งอยู่นั้นเกิดบริผุดขึ้นว่าประดัดดาประดัดโดดังนี้ถ้าพระเจ้ากำหนดจิตแปถึงสามครั้งจึงได้ความเกินว่าอย่าทอถอยไปทางอื่นดังนี้ต่อจากนั้นก็เกิดปรากฏว่ากายของตนไหวไปเลย จากนั้นจิตก็รวมลงตูระวังลงถึงจิตเดิมที่เดียวซึ่งข้าพระเจ้าเองในขณะนั้นก็ไม่รู้ว่าพระวังขจิตและจิตเดิมเป็นอย่างไรเมื่อจิตรวมลงใสบริสุทธิ์หมดจดหาสิ่งที่เปรียบได้ยากและแสนที่จะสบายมากที่สุดเพราะจิตสนิดนั้นเป็นจิตที่ปราศจากอารมณ์อยู่เฉพาะจิตส่วนล้วน ไม่มีอะไรเกี่ยวพลนรำอยู่อย่างนั้นตลอดคืนยังรุ่งพอดีแจ้งสว่างจิตก็เลยถอนแล้วก็รับความเบิกบานกายและใจมีความพิจิเหมือนกับตนลอยอยู่บนอากาศเดินไปเดินมาเบากาย เ, เบาใจที่สุดในระยะที่จิตรวมลงนั้นซึ่งไปพักอยู่เฉพาะจิต ไม่มีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเจอปลนเป็นจิตที่ใสบริสุทธิ์หมดจดวางเวทนาปามเจ็บปวดวรัวๆไม่มีเลยไม่ปรากฏแจ่จิตเลยคือจิตมันแยกออกจากธาตุไม่เจอปลวนอยู่กับธาตุดูเฉพาะจิตล้วนๆจึงไม่มีเวทนาตลอดขืนยังรุ่งเมื่อสว่างจิตพอดีถอน ก็ได้เวลาจะลงทำข้อวัดจิตจวัดในเวลาเช้าจัดเสนาสนะเพื่อจะตอนรับในการไปบินธบาตในตอนเช้าในระยะจิตถอนเมื่อถึงวันใหม่แล้วรู้สึกว่าเบากายเบาใจพอดโปร่รงรู้สบายเดินไปมาเหมือนกับเรา เตือนอยู่บรอากาศเบากายเบาใจดีเย็นกายเย็นใจเตินอยู่อย่างนั้นหลายวันวันใหม่เวลาพบคาพระเนนทั้งหลายก็ทยอยกันขึ้นไปรับโอวาทของท่านพระอาจารย์มัน่นข้าพระเจ้าได้โอกาสเรียกท่านไหวยท่านให้ทราบว่าเืนนี้จิตมันเป็นอย่างนั้น เล่าเรื่องที่เป็นมาให้ท่านฟังท่านพระอาจารย์มั่นเลยทดสอบท่านนั่งกําหนดพิจารณาพักหนึ่งพอสมควรเรอท่านตรวจ ด, ดูจะเป็นจริงหรือไม่พอท่านตรวจ ด, ดูพักหนึ่งก็เลยเป็นประานขึ้นว่าอ๋อจิตท่านจวนนี้ลงที่เดียวถึง สีตีจิตคือจิตเดิมท่านชมเชยว่าดีนักถ้ารวมอย่างนี้จะได้กำลังใหญ่แต่ว่าถ้าสติตัวนี้อ่อนกำลังก็ไม่มีเรยกับเรียนท่านว่าตอนจิตที่รวมได้ปรกากฏขาถาคืออัระขึ้นมาประดัดโดประดัดา ข อ, อนิมนต์ให้ท่านพระอาจารย์แปลให้ฟังท่านพระอาจารย์มั่นทานเลยบอกว่าแปลไมาไรหรอกเพราะสมบัติของใครของเราคนอื่นแปลให้ไม่ได้ต้องแเอาเองทานว่าอย่างนั้นเรื่องนี้ความจริงแล้วเป็นอุบายของท่านต่งหาดหรือท่านให แปรให้เองแปรให้ได้เองรับบ้าท่านพระอาจารย์มั่นนี้ใช้อบายผมคายหลักแหลมมากที่สุดท่านเลยย้อนมาพูดเรื่องจิตรวมจิต ก, ก่อนที่จะรวมบางคนก็ปรากฏว่ากายของตอนนี้วันไหวจะตกตะท่านไปบางคนก่อนจิตจะรวมแสดงภาพในมิตต่างๆให้ปรากฏขึ้น ซึ่งเป็นภาพภายนอกหรือแสดงอุบายภายในให้ปรากฏขึ้นดังนี้ก็มีแล้วแต่จริตนิสัยของบุคคลแต่ถ้าผู้ไม่มีสติยอมเพิดเพลินลุ่มหลงไปตามนิมิตภาพนั้นๆนิตกก็ไม่รวมเลยถอนเลยไม่ได้รับประโยชน์ไม่มีกำลังแต่ถ้าผู้มีสติดีจะมีนิมิตภาพภายนอกหรือธรรมะถุดขึ้นภายในก็ให้น้อมก็ามา เป็นโลบายของวิปัฒนากรรมฐานจิตก็จะรวมลงถึงถี่ถี่จิตเมื่อจิตรวมลงก็ให้มีสติรู้ว่าจิตของเรารวมและให้รู้อีกว่าจิตของเราที่รวมลงเองอมิตรคือกรรมฐานหรือไม่หรืออยู่เฉพาะจิตล้วนๆก็ให้รู้อย่าบังคับจิตให้รวมและจิตรวมแล้วอย่าบังคับจิตถอนขึ้นปล่อยให้จิตรวมเองปล่อยให้จิตถอนเอง และเมื่อจิจถอนบางคนชอบนิมิตแทกขึ้นทั้งนิมิตภายนอกแต่นิมิตภายในก็ให้มีสติรู้ว่านั่นเป็นเรื่องของนิมิตรหรือเป็นเรื่องของอุบายอย่าไปตามนิมิตและอุบายนั้นให้น้อมก็มาเป็นที่ปรัชนากรรมฐานยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์หรืออั น, นิจจังทุกขงาาังและตาแล้วก็ให้พิจารณากำหนดกรรมฐาน ที่ตนเคยกำหนดตนั้ง น, นั้นอย่าละเลยอย่าละทิ้งด้วยกวมมีสติอยู่ทุกระยะที่จิตรวมและจิตถอนถ้าหัดให้ได้อย่างนี้ต่อไปจะเป็นสันติิโกคือเป็นผู้รู้เองเห็นเองแจงกัดขึ้นจะตัดความเกรือกแองสงสยัยไม่ลังเลในพระรันตนใจต่อไปนี่เป็นโอวาท คำแนะนำของท่านพระอาจารย์มัน่นอุธิัตะมาเถระเมื่อคาระเจ้าได้รับโอวาทของท่านอย่างนั้นในระยะที่อยู่ร่วมท่านก็ทำคุณภาพความเพียรไปตามสติปัญญาเมื่อออกค้นญาแล้วเสร็จจิตทุกสิ่งทุกอย่างลํำลาท่านออกวิเวกทานก็เลยแนะให้ไปอยู่ถ้อยาง บ้านลาดกระเซยจังหวัดสกลนครสายก๊าซสินแต่ก่อนไม่มีทางรถเพราะทำนั้นเป็นถ้ำที่เยือกเย็นห่างจากบ้านสองกิโลสมัยนั้นบ้านลาดกระเซอยังเป็นบ้านที่เล็กๆสิบกว่าหลังคาเรือนเป็นพวกชาวป่าชาวเขาข้าไปเจ้าประมุงหน้าไปสู่ท้ำนั้นเมื่อไปถึงท้ำนั้นท้ำนั้นเย็นนัก เป็นถ้ำที่เย็นหินปาดถ้ำไปทางทิศตะบันตกตาำความภาคกุมเพียนอยู่นั้นเจ็ดวันไม่ได้รับไม่ได้นอนอาหารที่ฉันลงไปกางคืนถ่ายออกหมดเพราะเป็นอากาศที่เย็นทำความภาคคุมเพียนอยู่ท่านั้นเจ็ดวันจิตมันจะรวมเกิดนิมิตภาพต่างๆขึ้นบางครั้ง เดินจงกมอยู่จิตมันจรวมก็ได้ยืนกาหนดจิตเมื่อจิตถอนจากการรวมแล้วจึงเดินต่อไปส่วนนิมิตภาพภายนอกและภายในที่ปรากฏขึ้นในท่ำ น, นั้นก็มีอยู่เมื่อกาหนดพิจารณาดูจิตของตนแล้วจึงรู้ว่านิมิตภาพต่างๆย่อมเกิดจากพลังของจิตที่แสบใสยไป <c oughs> แม่เมื่อออกจากค้ำนั้นมาอยู่วัดพักอยู่วัดร่างวัดหนึ่งพ่เกิดมิตรภาพเห็นคนป่วยกายนั่งอยู่ใต้สนปุติที่ขา้าในขณะที่ข้าพระเจ้ารับตานั่งภาวนาอยู่ปรากฏป่วยกายเป็นผู้หญิงครั้งแรกข้าเจ้านึกว่าเป็นเปรตไลยสวดมนต์อุทิศบุญกุศลให้ภาพนั้นก็ยังไม่หาย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 เรื่องของจิต ท, ที่แสดงรัศมีหรือพลังออกไปหลอกลวงต่างๆเท่านั้นเมื่อผู้ไม่มีสติปัญญาแล้วอาจจะลุ่มหลงไปตามภาพนิมิตนั้นๆเป็นเหตุให้พังเพอและที่สุดก็ตํอคัาตนว่าตนได้ยานความรู้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่รูทิพตาทิพย์เกิดขึ้นเกิดเป็นทิจิตริปรายก็ได้อาจจะเป็นเหตุให้ทาแตกไปก็ได้